คยสไรถามการทําบุญรับหลังคนอื่นจะได้อ น, นิสง์เหนือกว่าการทําบุญแบบให้ใครต่อใครรู้ทั่วๆหรือไม่ครับก็ไม่แน่เสมอไปครับเพราะการทําบุญรับหลังคนอื่นแค่เป็นประกันว่าคุณไม่ได้จะทําเอาหน้าทว่าไม่ได้เป็นประกันว่ากําลังใจของคุณจะมากหรือน้อย ทำแล้วเกิดโสมนัสอย่างใหญ่หรืออย่างเล็กหลายคนปิดทองหลังพระแอบทําบุญไม่ให้ใครรู้เป็นประจำแต่ก็ด้วยเจตนาหวงบุญคิดว่าตนเองจะได้บุญกองโตไว้คนเดียวอย่างนี้ก็นับเป็นการทําบุญด้วยความโลภมีจิตใจแคบแคบแล้วตรงข้ามกับบางคนแม้ทําบุญแบบอยากให้คนอื่นรับรู้ว่านี่ฉันทานะฉันนิใจบุญนะแต่ก็เป็นไปด้วยเจตนาอยากให้ผู้อื่นรื่นเริงในบุญตามตน หรือเกิดแรงบันดาลใจอยากทำบุญให้แช่มชื่นอย่างตนบ้างความคิดของคนเราเป็นไปได้สารพัดครับก่อกรรมด้วยความคิดอย่างไรก็รับผลตามนั้นคนและสัตว์จึงมีรูปร่างหน้าตาโชคชะตาราศีต่างกันได้ไม่จำกัดดังที่เห็นไงครับ